นะโมตัสสะภะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระศาสนา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 นี่เลยจะไม่ให้เห็นคนแก่เพราะว่าเมื่อพระองค์ประสูตนั้นพามเจ็ดทั้งเจ็ดเชิญพามทั้งเจ็ดมาม า, าดูลักษณะมาทายลักษณะมาพ็ม า, มาภามทั้งเจ็ดนั้นก็ทายว่าพระพุทธถ้าอยู่คือถ้าอยู่ครองราชต่อไปหรือว่าโตขึ้นก็ <c oughs> เป็นคติได้สองอย่างคือถ้าอยู่ควองราดก็จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีสี่ทวีปเป็นที่เป็นที่ปกครองเป็นที่ให้พระองค์เป็นผู้ปกครองถ้าออกทรงผนวกก็จะได้สำเร็จ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 สร้างมาจนเต็มเปี่ยมเรียกว่าเต็มเปี่ยมก็ไม่สามารถจะอยู่ได้็ทําทำให้พระองค์ต้องได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่ที่ว่าจะต้องได้ออกทรงผนวชจึงให้เกิดจิดใจร้อนรนขึ้น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 ก็ถามว่าคนเจ็บแล้วเป็นมาอย่างไงถ้าฝ่ายเสนาก็ว่าแต่ก่อนก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้เจ็บ ไ, ได้ป่วยได้ไข้พระองค์ก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันใน ว, วันที่สามเขไปเห็นคนตายเห็นคนตายก็เสนาก็ว่าพระองค์ก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันก็จะตายเหมือนกันและ ว, วันที่สี่ ก็ได้ไปเห็นสมณะคือผู้สงบนี่เราก็เรียกว่าเทวทูตทั้งสี่มาแดงให้เห็นคือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าบา ร, รมีเต็มเตี่ยมแล้วจำเป็นต้องได้ออกบวชก็เลยทำให้จิตใจร้อนลนไม่สามารถที่จะอยู่ครองราชต่อไปได้จึงเกิดร้อนลน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 ปล่อยตัวปล่อยอเสื้อผ้าผ่อนก็ปล่อยให้เลือนลานอนก็น้ำลายไหลน้ำลายนี่ไาเห็นเหมือนซากศพก็ยิ่งเบื่อหน่ายขึ้นมาก็เลยเข้าไปดูลูกคือพระราหุนถ้าจะไปเชื่นชมลูกอดเชื่นชมลูกก็กลัวภรรยาคื อ, อแม่ นาง <c oughs> พิมพากลัวใจกลัวพระมเหสีจะตื่นก็เลยตัดใจได้ก็เลยเอาพาเท้ า, ทาช น, นะนายช น, นะบอกนายช น, นะให้เอาม้าคันธกาออกมาก็จึงได้ออกจากพระราชวังไป ไปที่แม่น้ำนะแม่น้ำอะไรแม่น้ำอนโนมาหรืออะไรไปทรงตัดพระเสียพระกันป์พระไอตัดผมได้ว่าตัดผมทรงถือบวชจากนั่นมาก็ทรงบําเพ็ญอยู่ถึงหกอยู่ถึงหกปีจึงได้จึงได้ตัดสรุป เป็นพระพุทธเจ้าตัทรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่จะออกทรงพโหนนั้นก็มีาพามทั้งเจ็ดที่ได้ทำนายไว้ว่าถ้าพระองค์ออกบวชก็จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยออกติดตามเรียกว่าพระปัญจะวคี มีห้าองค์มีห้ามีห้าองค์องค์ที่อายุน้อยที่สุดก็คือพระัญญาโกลทัญยะตอนนั้นพระัญยากกลทันญะในอ า, อายุน้อยที่สุดได้เข้าไปทําลายรักกายทํานายพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้าของพระองค์ในตอนที่ยังเป็นเด็ก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 ก็จึงได้ออกเดกหนีไปเมื่อพระองค์เมื่ออนญาปัญญาเด็กหนีไปก็จึงพระองค์ก็อยู่คนโอนอยู่เพียงองค์เดียวก็ระลึกถึงตอนที่เป็นพระราชกุมารเล็กๆที่ไปทรงที่พระบิดาพาไปแลกหน้าขอญนั่นแหะพระพุทธองค์ระลึกถึงตรงนั้น ว่าตอนนั้นพระองค์ระลึอกอย่างไงเพราะว่าระลึกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอนาปานสติที่จิตของพระองค์ดิ่งลงในสมาธิตั้งแต่เป็นพระกุมานเล็กๆอันนี้เรียกว่ามันมันจะเป็น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 อยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตก็สงบนี่แหละถ้าอยู่ในอารมณ์มันเดียวจึงจึงสงบจิตมาแล้วลึกถึงตรงนั้นก็จึงได้ทำแบบอย่างที่ตอนที่ทาตอนที่เป็นพระกุมารมากำหนดลมหายใจเข้าออกเพราะว่าทำทุกอย่างมาแล้วก็ไม่ได้สาเร็จก็ไม่ได จิตก็ไม่เป็นไม่ไปพอมาลึกๆถึงตรงนี้จิตจึงเป็นเป็นจึงไปตอนที่เป็นพระราษกุมานเขาจิตสงบลงไปจนเกิดความอัจารย์ขึ้นว่าเมื่อพวกสนมพวกนี้ออกไปเราองค์ ก, ก็อยู่คนเดียวก็ระลึกลมหายใจเข้าออก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 พวกสนมมาเห็นก็เลยเกิดถามกันบอกกันไปถึงรู้ไปถึงพระเจ้าสุดโททนะก็มาดูาะเห็นความอัจฉจรยะก็เลยได้ก้มได้กราบเรียกว่าได้กราบลูกครั้งแรกก็คือครั้งนั้นแหละเพราะเห็นความอัจฉรย์ตรงนั้นเพราะเห็นล่มที่คุมกายของพระ อ, องค์อยู่แม่ตะวันบ่ายค้อยไป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 ทำร่างกายให้ลำบากเปล่านึงอันนี้ก็ไม่ใช่ทางจึงมาบอกให้ทำทตามทางสายการก็คือเรียกว่ามัชชิม า, เ, า, มาเรียกว่ามัชชิมะมีแปดอย่างเรียกว่ามัคแปดก็ว่าได้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 คิดไปได้เรื่องเดียวอย่างเช่นเราจะเห็นว่าคนมีตัณหาคนอายุขั้นนี้แล้วก็มีตัณหาตัณหากับเราจะพูดไปเยอะมากกว่าแต่คำว่าตัณหาจริงๆอะ่ะมันมันไม่ใช่อย่างนี้ทั้งหมดอย่างการมว่าตตัณหาท่านก็จะยกขึ้นมาว่า มีจี่อย่างกา ร, รมตัญหาจะก็คือเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่าตัญหากา ร, รมตัญหาสิ่งที่เราเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งตัญหาเหล่านี้แหละก็เลยไม่ไม่เห็นอาจเห็นทำได้ ก็เพลิดเพลินอยู่ในลูกในเสียงได้ดูลูกสวยๆได้ฟังเสียงเคาะๆได้ดมกลิ่นหอมๆได้ลิ้มรสอร่อยๆแล้วก็ได้สัมผัสนิม่มนวลสิ่งเหล่านี้คือสิ่งผูกมัดจิตใจสัตว์โลกไว้ไม่ให้พ้นไปได้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดพูดไปก็เหมือนมันไม่มากไม่ แต่สิ่งไม่มากมายนี่เราติดหรือว่าเราเป็นาธาตุของมันมาจนเป็นภพเป็ น, ปนไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่รู้ว่าเกิดเป็นอะไรบ้างก็เพราะตัณ ห, ห, หานี่แหละก็เพราะกรรมาตัณหานี่แหละเราอย่าไปคิดแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องเดียว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 ให้ได้ทำบุญกุศลไปอีกแต่ส่วนมากแล้วถ้าถ้ามีแล้วมั น, มนก็ไม่พออันนั้นแหละท่านเรียกว่าตัณหามาได้แล้วก็ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ตามที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเราจึงเคยเราจึงเห็นควรว่าเราก็คงจะเห็นเคยเห็นว่า คนที่มีเท่าไหร่มันแล้วก็ไม่พอนั่นแหละท่านเรียกว่าภวตัณหาคือเพิดเพินในสิ่งที่มีที่เป็นที่หาได้ที่เป็นได้แล้วก็วิภวะตัณหาที่นึ่ภาวตัณหาก็คือ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 จิตจึงลงถึงฐานจึงดูเรื่องของสัตว์โลกดูเรื่องของพระองค์ด้วยดูว่ากิเลส ข, ของพระองค์ผ่านไปด้วยจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เรียกว่าตัสลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ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 ท่านจึงวางทางสายกลางให้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือว่ามักมีองแปดมักมีองแปดก็คือสัมมาทิฏฐิข้อแรกสัมมาทิฏฐิคือปัญญาชอบ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 ถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาศินไม่ได้แค่ข้อแรกนี่ก็รักษาไม่ได้แล้วถ้าไม่มีปัญญาข้อแรกก็คือข้อแรกไหมถึงสินห้านะก็คือปาณาติบาถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ไม่ได้กินถ้าเราไม่ฆ่าเราก็ไม่ได้กินอันนี้คือคําพูดของคนไม่มีปัญญา ถ้าคนมีปัญญาเขาไม่จําเป็นต้องไปฆ่าก็หาวิธีอื่นหาวิธีอย่างอื่นฮะทอ า, อ า, า, า, าอย่างอื่นฮะฆ่าหาขายอย่างอื่นแล้วก็ไปเปลี่ยนหรือว่าไปซื้อตรงนั้นมาได้ก็ไม่จําเป็นต้องฆ่าเนี่ยธรรมมาทิฏฐิก็คือคนมีปัญญาถึงจะปฏิบัติธรรมไปได้ ถ้าคนไม่มีปัญญาก็ก็เป็นไปไม่ได้สรมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ดำลีกชอบด้วยพัที่สองนี้คือดำลีกชอบมีปัญญาอย่างเดียวก็ยังไม่พอต้องมีการดำลีกด้วยดำลิกว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราไปอย่างไง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 เห็นความอัศจรรย์ของจิตของใจของจิตของเราก็เรียกว่าได้ดื่มดมหรือว่าได้อาหารของจิตได้เห็นอาจได้ทำก็คือได้ตรงนี้แหละเห็นอาจเห็นทรเก็เห็นตรงนี้นาะก็เริ่มจากสมาธิธรรมนี่แหละสมาธิธรรมจะเกิดได้ก็เพราะมีสติ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 ให้เราเข้าใจว่าศาสนาเกิดขึ้นเพรา ะ, ะความเกิดเจ็บเก็บตายแล้วก็ต่อทุกวันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของคนตายก็เรื่องเ ป, เป็นเรื่องของพระไปพระก็สวดให้คนตายไปจริงๆแล้วเกิดขึ้นเพราะเห็นภัยเพราะเห็น ไม่อยากจะเกิดอีกอที่พระพองค์ตั้งศาสนามานี่กเพราเห็นภัยตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธเราก็ต้องเห็นภัยนี่แหละเราถึงจะเราถึงจะเป็นถึงจะไปได้ถ้ายังไม่เห็นภยัยยังเพลิดเพลินอยู่ในโลกอันนี้ในอ่า กรรมมตัตตนหาราคะพวกนี้มันก็ไม่สามารถจะไปได้ภาวนาก็เป็นไปไม่ได้อริยะสัจสีก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากจะทุกข์ทุกนิดนิ ด, นดหน่อยเราก็กลัวแล้วไม่อยากจะแล้วกแต่ละวันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นทุกข์ไม่ได้เห็นความจริง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 ก็ทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อร่างกายสังขารว่วงลอยไปความเจ็บความแจกความทลาข้ามข้าเขาเข้ามาแทนที่จะภาวนาก็ไม่ได้ในที่สุดเราก็ต้องยอมรับในสภาพในสภาพความตายที่จะมาถึง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 เป็นญาติกันได้สัมผัสกันได้รู้ได้เห็นกันถ้าไม่เป็นญาติกันเลยถึงเวลานั้นเนะ่เราจะเรียกให้ญาติมาดูหรือว่าเรียกหายาตมันก็ไม่ไม่เจอกันแล้ะถึงเวลาวลานั้นก็ถึงเวลาเจ็บเวลาตายนั่นนะ่เพราะฉะนั้นจึง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 เราจะเอาอะไรจากมันได้ร่างกายอันนี้มันก็มีแต่จัดร่วงโรยลงไปสติปัญญามันก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านว่ามันไม่ใช่ตัวใช้ตนไม่ใช่ของเราเรามายึดของเรามายึดมันมันก็ไม่สนใจกับเราด้วยซ้า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 สิ่งที่จะทำนิตัวเองเมื่อภาวนาจิตใจก็ไม่มีกังวลมันก็สงบลงได้มันก็สกงบง่ายถ้านั้นก็ผิดนั้นนี้ก็คล่องจิตใจพลุงพลังเหมือนบุคคลไม่ได้อาบน้ำเสื้อผ้าก็เหม็นไปด้วยละ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 แล้วก็ภาวนาก็ง่ายขึ้นถึงเราไปไม่ได้ในอัตภาพภพนิชตินี้ก็ยังเป็นสเบียงนั่นแ่ะนั่นคือการให้ทานแต่จริงๆแล้วท่านเน้นมาที่ภาวนาพุทธเจ้าวางาศาสนาไว้ก็เพื่อให้เรามาเห็นอัตเห็นธรรมนี่แหละทำทั้งหลายที่ท่าน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 มันจึงเกิดจึงมีขึ้นอยู่ในที่กันดาลอยู่ในที่สงบจ ง, งัดข้อเพื่อจะให้จิตใจได้เห็นได้เป็นในไปนี่แหละในอดในทำในภาวนานี่แหละเพราะฉะนั้นให้เรามาพิจารณาตรงนี้แหละฟังเทศฟังธรรมที่ไหนมาคอดมุ่งมาที่นี่แหละ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 ประกาศไว้เป็นความจริงความจริงสำหรับบคุคคลที่ทำจริงแล้วเห็นจริงเป็นของจริงไม่ใช่ว่าเป็นของปลอมของหลอกลวงโลกทันสมัยอยู่เสมอเป็นอากาลิโกทนว่าไม่ไม่มีการไม่มีเวลา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 เห็นความตายความบุบสลายความเน่ากายเปื่อยลงไปนี่ยเข mm hmm. าเรียกว่าเห็นกายจนมีบางสรรนักเขาไปตั้งขึ้นว่าเป็นกายเป็นธรรมกายนั่นนหะสรรนักไหนก็ต้องเห็นกายซะก่อนครูบาอาจารย์สายไหนก็ต้องเห็นกายก่อนพิจารณากายนี้ก่อนเห็นทุกอย่างเห็นแต่ความ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 ไม่ไม่ว่านานเท่าไหร่นะมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมมันท่านถึงว่าบุคคลที่เห็นอดเห็นธ ร, รเป็นอดเป็นธ ร, รมอยู่วันหนึ่งก็ดีกว่าคนอยู่ร้อยปีแล้วไม่มีอะไรเลยไม่รู้เรื่องไม่เห็นอัดถึงธ ร, รอยู่มีอายุยืนยืนยาวเฉยท่านถึงเปรียบพระรหันที่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 โม่เกินไปคนเรามาเห็นแล้วยังไม่ได้มาเห็นแล้วยังไม่หยิบช่วยเอาสิ่งประเสริฐที่สุดก็คื อ, อ น, นี่แหละก็คือธรรมนี่แหละก็คือธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ท่านตัทะรู้มาจากนุ่นถึงนี้ท่านก็วางศาสนาไว้ห้าพันปีแล้วอันนี้ก็เรียกว่ามาได้ครึ่งหนึ่ง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 ไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนหมดแดงไต่ขอบด้งเวียนไปเวียนมาอย่างนั้นแหละก็ไม่รู้ว่าตัวเองที่เก่าของตัวเองก็เวียนอยู่งั้นแหละให้เรามาเกิดก็เหมือนกันเราเคยเห็นสิ่งที่เขาปลูกสร้างตั้งแต่โบราณมาไหม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 เนี่ยนมมันเป็นยังไนงนมมันสีขาวๆอเน้นว่านมนะสีขาวๆสขวีขาวเป็นยังไงลุงพ่อก็ไม่เคยเห็นสีลุงพ่อก็ไม่เคยเห็นสีก็เลยสีอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าตาตาไม่เห็นไงพอดีมีนกเจา้านกอะไร เจ้าบินมาเนนก็ว่านั่นเขามันสีข า, ขาวๆเหมือนนกเจานั่นแหละว่าหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นนกเจาอีกก็เลยว่านกเจ้าเป็นยังไงเนนก็เลยบอกนกเจามันเป็นอย่างนี้ก็เลยยกมือขึ้นมันมีหวอย่างนี้หลวงพ่อก็มาจับจับมือเนนว่าจับแขนเนนว่าโอนกเจาไอ เป็นอย่างงี้นมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะทั้งทั้งที่มันคนละเรื่องไงเนี่ยถ้าไม่เห็นมันก็เป็นอย่างงี้แหละมันมาตรงกันพอดีก็เลยนึกถึงนิทานตรงนี้ได้นิทานเรื่องนมโอวันตินจนไปถึงนกเจา้าเนนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนกเจ้ามันก็มีหัวอย่างงีอ้อ่ะ嘛 น้พ่อเขามาจับดูแขนเนีนไว้โอ้นกเจ้านีมนน่มันมีหัวเป็นอย่างนี้เนาะนี่แหละถ้ามันไม่ถ้าเรามีรู้เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นที่จะเป็นอานเป็นธรรมเราก็ต้องทำให้มันเกิดมันมีขึ้น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 วันไม่ได้เก่งจะไปไหนก็ไปเหมือนคนมีเงินมีทองนี่แหละจะไปประเทศไหนก็ไปได้คนมีบุญมีกุศลมีปัญญาเข้าไปไหนก็ได้กัเพราะว่าเราได้ทำไปแล้วสิ่งเหล่านี้เราเป็นเครื่องอาศัยของของเราเป็นฟอร์มผส์ของพระพุทธเจ้าก็คือตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นอันไหนที่พอจะเป็นอพอจะตกเป็นของเราได้ก็ให้เอาไป พิจนาไปฝึกไปฝนฝึกฝนลองดูว่าเราพอที่จะเอาเป็นนี่ได้ไหมที่อาตมาได้อธิบายมานี่แหละอะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าสมควรเก็วเวลาอืมอาะนะแค่นี้แหละหลพ่พูดได้แค่นี้แหละพอดีมันปวดหัวด้วยอาการไม่ค่อยดีก็เลนเด็กอะไรไม่ออก มันเป็นได้สองสามวันนะมันรู้ว่าเป็นโรคอะไรมึนหัวพอไปถึงนู่นก็บินทบาาไม่ได้เลยพอมึนแล้วมันไม่เอาไหนเลยเมันไม่เอาไหนเลยจะลม้มแต่ความดันความไหนก็ตรวจอยู่นะีที่แล้วไปเช็คไปตรวจความดันเขาก็ว่าไม่มีอะไรก็ตรวจไ้มันเหมือนกันนะ เขาว่าอะไรเนาะเขาบอกว่าเม็ดเลือดอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ไปติดตามอีกก็เลยปล่อยมาได้นนในปีหนึ่งถ้าเจออากาศร้อนๆคนเยอะๆหายใจแบบลักษณะออกซิเจนไม่พออย่างเงี้ยนะ ม, นมันก็จะมันก็จมึนหัวขึ้นมามึนแล้วไม่เอาอะไรเลยเต็มในโอกาสนี้นะครับ ใครขอกราบเรียนเชิญท่านดรหมูนะครับได้น้อมถวายกันเทศใหญองค์หลวงปู่นะค ร, <c oughs> ครับพวกเราอนุโมทนานะครับวันนี้นะโอ้วันนี้วันเกิดดรหมู ด, ด้วยนะครับแต่พวกเราอนุโมทนาสาธุโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุอ้าวไอคนวันเ <c oughs> กิดฉันตั้งคิดตั้งใจนะครับแล้วพอจะอุลวงปู่ครับ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสักรังเอวะเมวิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทีตังตุมหังชิปเมวะสมิจาตุสเพปุเรนตุสังกปานจานโทปนราโสยะามณีโชติราโสยะา สพีติโยวิวัชานตุสัพรโรโภวินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีกายุโภพวะอภิวาธนาศีเรสนิจังอุททาประจายนโนจตาโรโอธรร ม, มาวาัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนาตายานุภาเวนารัตนาตายเตจัสา ทุโรคหพยาเวราโสกาสันตุจุปัฏฐาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเศิสโตชยสิทธิ์ธนังลาพังโสทีภาขยยางสุขังกัลังสิริอายุจวันโนจพุฆังอุธีชยัสวะสตวสาจะอายุใจชีวาสิทธิพระวันตุเตควาตุสัพพังกลังรักันตุสัพพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสทาสุทีภาวันตุเตปวะตุสัพพมังคังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาสุทีภะวันตุเตปวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะ สัทาโสตีพวันตุเตสัตว